ท่านพระบดีสัททลอยตอน 4 ของ 18 วัน 16 สิงหาคม 2533 วันนี้ก็ ความเป็นการเดินทางเวลานั้นบรรดาท่านพระพุทธบริษัตรเดินทางแบบสะดวกเพราะเป็นป่าใหญ่ป่าทึบไม่เดินซ้ําเดิน <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อไปรับสัมปัดกดเมื่อปัด เมื่อพักหายเหนื่อยดีแล้วก็เขียนระยะทางนิรันดร์ผ่าน การเดินทางทุรดงท่านไม่ต้องการให้เดินเฉย <c oughs> <c oughs> ที่เขียนไว้ว่าไม่ได้ใช้กําลังใจของตนเองถาม <c oughs> มีอะไรสมัยนี้มีอะไรสถานที่สถานที่ตรงนี้เคารพรางข้าวฟันกันที่นี่มีบ้าน ตะบางสมัยเราเองก็เกิดแถวนั้นเหมือนกันเดินทางผ่านแถบนั้นเดินทางผ่าน การเจริญกรรมฐานเป็นของปกติถ้าถามว่าทํายังไงก็ไม่ต้อง ถ้าเกิดป่วยนิบวรครับทั้ง 5 ประการเข้าประจําใจเช้าจะอดข้าวแล้วก็ประการที่แล 3 แล้วก็ตั้งไข้คนพิจารณาร่าง <c oughs> ก็ย่อย่อแบบนี้ตามธรรมดาที่ผ่านมาเพราะว่า เดินทางชาวก็รายงานไปส่งพระปานพอส่งท่านแล้วก็ออกเดินทาง <c oughs> ก็เป็นเรื่องมีคนใส่ให้คนที่ใส่ให้ก็ไม่ใช่รูปร่างมนุษย์ธรรมดาเป็น <c oughs> แต่ก็แนะนําด้านวิปัสสนาญาณว่าสมถภาวนาน่ะใช้กันจนชินได้ดีแล้ววิปัสสนาญาณอย่าทิ้งจง อย่าไปสนใจในมันให้มากเกินไปร่างกายจะตายที่ไหนก็ปล่อยมันตายที่นั่น <c oughs> ก็บานนี่ก็สักครู่ ยางก็มีน้อยกว่า ยังไม่รู้จักคําคงไม่เป็นไรพอเข้ามาใกล้เจ้าเสือดํามองดูมันก็ยืนนูก็ลุกขึ้นมองแล้วก็ปองเฉยๆแล้วก็เดินไป ไปในสถานการณ์ท้าทายโลกร้ายจึงได้ไป <c oughs> ก็คิดในใจว่านี่ฆราวาสเขาก็มาทดลองเหมือนกันแล้วท่านโทรนั่นเองก็ พอเข้าไปนั่งใกล้ท่านก็เหลืมตาขึ้น <c oughs> <c oughs> ยังเกิดดีแล้วเห็นพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าพระองค์อาจจะตายก็เลยบอกว่าคิดตั้งแต่เช้า คุณน่ะเข้าใจว่ามันเป็นสนรรคจริงจอกก็เป็นสนรรคป่าแล้วเป็นสนรรคอะไรบอกบอกให้ชาติได้มั้ยก็เลยบอกว่าดอกไม่เนี่ยมันดุ ท่านสองของ 2 อย่างให้จงอย่าลืม ท่านถามว่าในเมื่อท่านเห็นว่าตาผมไม่กระทบท่านเข้าใจว่าผมเป็นอะไรตอนนี้ เพลยต่อว่าท่านคือพรหมใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ถามว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหนท่านก็ตอบว่าผมคือสัมบัติพรหมก็ตกใจนึก ก็ถามแล้วบอกว่าถ้า ก็ได้สมัยสมท่านผ่านมาหลายชีวิตตั้งเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมาหลายชีวิตแต่ สมณะนั้นเป็นภาคที่มีความแรงแค้นมากที่สุดถ้าพ่อ ถ้าถูกพวกขอมรุกรานหนักคมเองทุกอย่างลูกเขาเมียใครต้องการบันใดก็ได้มานั้นทรัพย์สินของใครต้องการอะไรก็ได้มานั้นถ้าไม่ให้ก็ทําร้ายร่างกายซะ เมื่อถูกกดหนักก็ต้องเด้งขึ้นตายไม่เชยบกันตายโรคชนะครมแล้วก็อยู่นาน แล้วต่อมาก็โผล่เข้ามาอีก ความโดนแลดูทุกสมัยที่เกิดไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีการรบ มันเต็มไปด้วยความทุกข์ซึ่งก็เลยบ่ว่าเกลียดในการเกิดหรือยังก็ต่อท่าน เห็นว่าเราแก่ก็คิดว่าเราแก่คิดว่าเราไม่แก่ทั้ง แต่ก็ไม่เคยคิดถึงความทุกข์เวลานี้รู้จักความทุกข์ แต่ท่านก็ชี้ดูโชคชะตาชีวิตของคนที่เกิดแก่เจ็บตายแต่ละสมัยสมัยดูแล้วก็เป็นการรบราข้าวฟันทั้งในการ ทั้งทั้งนี่ท้องไม่อิ่มเชลยที่พักที่ดับที่นอนก็อยู่ในป่ากลางป่ากลางดงไม่เหมือนบ้านการลบมีพาหนะมีทางมาวัวควายก็ใชอาศัยอาศัยอะไรได้ยากน้อยกับ แต่กฎหมายความฐานะก็ยากจนตามเดิมไม่มีอะไรเป็นกรณีพิเศษเงินเดือนเงินดาวก็ไม่มี เป่าลายเงือดเลือดออกมาปั๊บพอจับปั๊บเป่าโผด กระดูกหักกระดูกแตกหมอประเภทนี้สามารถต่อกระดูกได้ทันทีทันใดสามารถประสานแผลได้ทันที กรองความท่านทําให้ดูท่านตรวจว่าคนทุกคนที่ท่านมอง ใจดีมากยิ้มแย้มแก่ไม่ไส้ผู้เห็นอบ ท่านยังจะไป ถามถึงวิธีการสอนเนื้อหาปานท่านสอนจบหรือยังท่านบางวิชาความรู้ทุกอย่างที่ท่านเรียนมาจบ ท่านต้องการไหมก็บอกว่าถ้าต้องการมันก็เกิดถ้าไม่ <c oughs> ท่านก็สร้างภาพให้ดูมีบ้านมีเรือนสร้างภาพให้ดูมีบ้านมีเรือนมีข้าทาสหญิงชายรับใช้มีลูกธิดาปัญญาสามีกันเยอะแยะ ในขณะที่มีชีวิตก็มีความจําเป็นต้องใช้มันแต่ว่าถ้าตายไปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ช้า ในชีวิตของคนนี่แหละไม่ช้านานนักมาที่สุดคุณก็มา <c oughs> ผมคือสามบริพรแต่ก่อนที่พวกคุณจะกลับไปผมจะแสดงตัวในท่าพย์หลังจากนั้น อันนี้เป็นกำลังใจเป็นกำลังของผมนะ เต็มลุกไปแล้วไม่เห็นหมามันก็หน้าตาคล้าย แต่เมื่อคนเดินตรงเข้าไปคนไม่กลัวเค้าก็เลย ใกล้จะนิพพานอยู่แล้วท่านสอนอะไรบ้างก็บอกทุกบอกกับท่านบอก ที่ไข้เขาว่าศูนย์นั่นเป็นเรื่องของ หมายที่สุดเทวทัตก็ลงอเวจีมหานรกชั้นใดคนทั้งหลายปัจจุบันก็เช่นเดียวกันบางคนชมผ้ากาสาวพัสตร์ คือความเป็นก็ตนเองเป็นตัวอย่างคนวาจาอย่างนั้นนะจึงว่าวันนี้เราก็นอนกันที่นี่กลางคืนต้องอย่าลืมเจริญกรรมฐานก็กราบเรียนท่านบอกว่ากรรมฐานผมไม่ขาดเลยครับท่านบอกว่าดีท่านถามว่านิพพานควรใจบ้างมั้ยก็เลยบอกว่าตั้ง <c oughs> ความ มันอาจๆก็อย่าจะร่ํารวยเหมือนเขาถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รวมเราให้ <c oughs> เมื่อคอยกระน้องพ่อปานเสร็จ แล้วหัวหน้าชี้นวลไปที่บ่อน้ําบ่บอกว่าเหมือนจะบอก <c oughs> อันใดมากเข้าในเวลาที่คนจะไปอาบน้ํานั้นมันเวลาที่ใกล้เสือจะออก เขาพูดอะไรทุกอย่างในช้างได้ยินหมดรู้หมดเค้าจะอยู่ไกลใสไกลขนาดไหนแล้ว เราก็ไม่แน่นักคนที่ดีเค้าก็มีคนที่ดีกว่าช้าง